Thank mm -hmm. you.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 กลับบ้านเพื่อนก็ยื่นโคมให้เป็นโคมผ้าชายตาบอด ก, ก็บอกว่าเอามาให้ฉันทำไมเพราะว่าฉันเดินได้คนตาบอดเนี่ยคํามมืดแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ตายจากเวลากลางวัน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 เหนื่อยก็เหนื่อยแดดร้อนก็ร้อนก็ถาปลู่ไปแล้วได้อะไรใช่ชลกักกว่าปลูกแล้วเนีย่ยมันได้ประโยชน์หลายอย่างนะต้นไม้มันให้ร่มเงานะสิงสารสัตว์ก็มาอาศัยอยู่แล้วแถมยังได้เนื้อไม้ด้วยเอาไม้ไปทำบ้านเอาไม้ไปทำสะพานก็ได้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 อาจจะไม่มีโอกาสได้กลับมาที่นี่อีกแต่ว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันก็มีประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังมีบางคนถามนะปลูกทำไมนะทำแล้วฉันได้อะไรเดี๋ยวนี้มีคนคิดแบบนี้เยอะทำแล้วฉันจะได้อะไรอ่าอันนี้เป็นเป็นคำถามที่อาจารย์ประเวศบอกเป็นคำถามที่น่าเกรดที่สุด ในโลกนะทำแล้วฉันจะได้อะไรทำไมเราไม่คิดบ้างเออทำแล้วคนหนึ่งจะได้อะไรบ้างนะคนที่คิดหรือถามว่าทำแล้วฉันจะได้อะไรเนี่ยจะมามาปลูกป่าก็มาปลูกด้วยความทุกเพราะรู้อยู่ในแนวนว่าปลูกไปแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้ไประโยชน์จากต้นไม้ที่ลงมือปลูกหรอกแต่ถ้าเราถามตัวเองเออทำแล้วสังคมจะได้อะไรทำแล้วโลกจะได้อะไร คำตอบมันก็ชัดนะซึ่งมันก็ทําให้เราเกิดความเพียรเกิดฉันท่าถึงแม้จะเหนื่อยแต่จะร้อนก็ปลูกนะแล้วถึงแม้จะไม่มาปลูกต้นไม้ที่นี่ในชีวิตประจําวันเนี่ยนะมันก็มีอะไรต่ออะไรที่จะให้เราทําได้เยอะถ้าว่าเราคิดถึงอื่นด้วยเช่นเราเข้าห้องน้ําห้องน้ําสาธารณะ ก่อนจะออกจากห้องน้ําเราก็ทำความสะอาดนะถึงแม้ก่อนถึงแม้ตอนก่อนจะใช้เราก็ทาความสะอาดแล้วใช้เสร็จเราก็ทำความสะอา ด, เ, เ, าาาดเพื่ออะไรเพื่อคนข้างหลังเขาจะได้มาใช้ได้อย่างสบายใจเราจะไม่ได้กลับมาใช้ห้องน้ํานั่นอีกนะแต่ว่าเราทำเพื่อผู้อื่นบางทีเราถ่ายหนัก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 เราก็ไม่เหนือ่อยไม่หนักก้อนหินมันจะใหญ่แค่ไหนถ้าเราไม่แบกมันเราจะเหนื่อยไหมเราจะหนักมไหม น, นถ้าเราเหนือ่อยเราหนักเนี่ยแล้วก็โทษก้อนหินไปด่า ก, ก้อนหิ น, นทําไมมึงหนักแบบนี้ทําไมมึงหนักแบบนี้สมควรหรือเปล่าทำไมเราไม่ถามตัวเองว่าเราแบกทําไมไม่ถามถึงว่าทําไมเราแบกฐานก้อนแดง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 ลิงเนี่ยนะมันมันลืมตัวยิ่งพอมีคนมาเนี่ยมันยิ่งมันลืมไม่ว่ามันกำเอาไว้มันลืมนะมันไม่รู้ตัวว่ามันกำเอาไว้นะอ่าส่วนใหญ่เป็นความโลภโดยความโลภเนี่ยทําให้มันเสียดายเสียดายอะไรเสียดายถั่วที่มันกำไว้ในมือความโลภก็ทําให้ไม่ปล่อยไม่วางไม่คลายไม่เอ่อไม่แบ ความลืมตัวด้วยความกลัวด้วยเห็นคนมากลัวพยายามหนีหนีไม่ได้เพราะมือมันติดนะมันลืมตัวใที่เราแบะเนี่ยเพราะเราลืมตัวรู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันคลายแต่คนจะรู้ตัวได้ต้องกลับมามองตัวเองก่อนนะไม่ใช่ส่งจิตออกนอกหรือเอาแต่โทษคนนั้นคนนี้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 นั่นก็อย่าลืมนะกลับมาดูใจของเราเวลามันมีอะไรผิดปกติขึ้นมาเวลามีความทุกข์กลับมาดูที่ตัวเองก่อนแต่ถ้านนิยาปกติเนี่ยจะทําอะไรก็นึกถึงคนอื่นดูมันขัดแย้งกันนะจริงไม่ได้ขัดแย้งไปเรื่องเดียวกันเวลามีปัญหากลับมาดูใจเรากลับมามองตนเวลาไม่มีปัญหาเวลาจะทําอะไรก็นึกถึงคนอื่นถึงแม้เราไม่จําเป็นต้องใช้แต่ถ้าเราทําและมีประโยชน์กับคนอื่นก็ควรทำํำเช้านี้ก็พูดกับท่านนีนะกราบพระ